รติเฉตว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรีสี่อย่างครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่ณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ารติเฉดของภิกษุ ผู้ประพฤติมานัทมีเท่าไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีรติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัทมีสี่อย่างคือ 1. สหวาสิกการอยู่ร่วมกัน 2. วิปวาสิกการอยู่ปราด 3. อนาโรจนาการไม่บอก 4. อูเนฆเนเจรณะการประพฤติมานัดในคณะสงฆ์อันพร่องอุบาลีรัติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัดมีสี่อย่างนี้แหละ